วันนี้เป็นวันพระแรมแปดข้ามเดือนสามตรงกับวันที่สิบเจ็ดกุมภาห้าสองเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันประชุมเจ็ดวันพวกเรามาประชุมกันแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ ได้คิดว่าในการแสดงธรรมหรือว่าการแนะนำสั่งสอนขาดตกบกพร่องไม่ได้คิดในใจทุกวัน ấy. ทำไมพอหลวงพ่อมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององค์หลวงตาพอตกกลางคืนเงียบสงัดตั้งแต่ ส, สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้าเป็นธรรมเทศนาที่หลวงพ่อเปิดฟัง เกือบจะว่าทุกคืนทําไมมีตุระอะไรมากก็รู้สึกว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่รวนแล้วแต่มีเนื้อหาสาระเต็มเพียบหาผู้ที่จะแสดงเสมอเหมือนองค์หลวงตานี่ได้ยากพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นพระผู้ที่ใคร่ในการศึกษา ใครในการเรียนรู้ใครในรับการอบรมได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แล้วก็วิทยุของเราก็มีอยู่แล้วเพราะเขาทำมาให้ถึงสองพันกว่าเครื่อง เ, เดี๋ยวนี้ก็แจกไม่หมดก็เป็นหลายร้อยเครื่องอยู่เย่าเราก็ใส่ทานเข้าไปก็ฟังสิแต่ตั้งใจฟังอย่างที่ผมพูดนั่นแหละเวลาจะฟังกันไหนประมาณ ทำวัดเสร็จเรียบร้อยเดินยองกลมเสร็จเรียบร้อยนั่งภาวนาเสร็จเพอไหว้พระเดินยองกลมเสร็จแล้วก็นั่งภาวไไหว้พระพอไหว้พระทำวัดเสร็จเรียบร้อย ør, แล้วกัประจําที่กันประจําที่ก็นั่งขจฉามจากนั้นก็ฟังล่ะแต่เปิดวิทยุฟังนั่งขสมามนั่งหลับตาฟังเอาวิทยุตั้งไว้ที่สูงอตั้งไว้หลังบาทก็ได้ ตั้งบนหลังบาตเอาไว้ตรงหน้าแล้ยฟังไม่ต้องเปิดแรงอย่าไปเปิดแรงถ้าเปิดแรงมันเสียสมาธิเปิดพอได้ฟังเข้าใจเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ท่านพูดที่ท่านหลวงตาเทศเรื่องอะไรจากนั่งกับกนั่งขจมาทิฟังหลับตาฟังด้วยการไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลท่านพูดเรื่องศีลท่านว่า ย, ยังไงพูดเรื่องสมาธิท่านว่า ย, ยังไง ท่านพูดกิจวัตรข้อวัดประจําวันท่านทำยังไงท่านอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงแล้ววิธีการสอนวิธีการแนะนำของท่านท่านพูดสอนอะไรในการ น, นี้เราฟังให้เข้าใจทุกคาพยายามให้เข้าใจทุกคาที่ท่านพูดในกันนั้นพอจบกันแล้วก็ปิดไว้จะเราก็นั่งภาวนาต่อทีนี้ นนและแล้วก็ตอนตีสามตีสี่ตีสามขึ้นมาอ่ะนะลุกมาก็เปิดอีกออหรือเราไม่เปิดเราจะนั่งต่อก็ได้ถ้าเราเ อ, อไม่ได้ฟังตอนหัวค่ําตื่นขึ้นมาตอนนั่งเราขึ้นมานั่งไหว้พระเสร็จแล้วเราก็นั่งคัดสมาธิแล้วก็เปิดฟังอีกสักกันหนึ่ง อ, อยังค่อยนั่งภาวนาต่อ อ, อค่อยหยุด อันนี้พวกท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติได้อย่างที่ผมพูดนี่นะพวกท่านจะใยในการศึกษาวิธีการเดินมักเดินผลจะทํำยังไงพิจารณาสมาธิทํำยังไงแล้วก็เดินวิปัสสนาปัญญาเดินยังไงพวกท่านทั้งหลายจะรู้จะรู้จักวิธีในการเดินมักไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็นอนฟัง อย่างนั้นนมันด้านนะมันไม่เกิดประโยชน์ยังปรามัดยังเป็นจิตใจด้านอีกพอมันด้านแล้วทอนี้จะฟังอย่างไงมันก็ไม่เข้าทีนี่เหมือนกระดินด้านนะดินดานดินด้านนะอดินที่มันด้านมันด้านนะเอาน้ํารดมันกันเปียกแต่ข้างบนเท่านั้นนะมันไม่ซึมลึกเข้าไปถึงใต้พื้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันพอมันลดแล้วก็ผ่านไปเพราะมันเคยชิน มันเคยชินในการได้ยินได้ฟังมันไม่ซึมลึกมันไม่ได้นำไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้นทำให้จิตใจมันด้านถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะฟังมากขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เผลอๆแล้วก็ฟังเป็นของสนุกเป็นของเล่นไปเผลอๆยังเกลียดในการฟังทำซะอีกเบื่อในการฟังซะอีกพวกท่านทั้งายเป็นมอย่างที่ผมพูดนะให้ดูจากตัวเองนะ ที่พูดทางนี้ท้งนั้นให้ดูตัวเองมันจริงมหอย่างที่ว่านะมีไหมฮนะเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายนะคือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยที่ผมฟังอยู่ทุกคืนเนี่ยนะเป็นธรรมเทศนาผมได้ฟังเกือบทุกกันตั้งแต่ปีสองพันรอยสิบสองถึงสองพันห้าร้อยี่สิบห้าที่ท่าน เ, เร่งเทศจริงจริงก็ช่วงสองพันรอสิบแปด ต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็ เ, เป็นโรคหัวใจของท่านคือเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตินะถ้าทุกวันนี้พอรู้อะไรที่เหลือของท่านเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจติเท่านไหร่ทำให้ท่านเหนื่อยแต่ท่านพูดไม่ได้อีกช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามเครื่องบินขึ้นในสนามบินอุดรมันเสียงบรบกวนวุ่นวายไปหมดขนาดนี่เสียงดังจนันวันไหวล่ะ เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้อาจเทฟก็เลยขาดช่วงไปพอ 2,516-17 เนี่ยสงครามก็เลิกลาก็จึงมีธรรมเทศนากัร 2,518 เนี่ยมากเลยนี่ 18-19 20 21 22 23 24 25ช่วงนี้รู้สึกว่ากันเทศของหลวงตาเนี่ยมากที่สุดท่านจะว่าไปแล้วจากนั้นก็26ขบผมก็ออกมาแล้วนี่ ท่านอบรมพระต่อมาถึง2 5 3 5ันหลวงตาหยุดอบรมพระเนี่ห่างมากเลยแต่นี่อบรมแต่เฉพาะวันสําคัญอย่างวันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่ากลางกรถินอย่างนั้นหรือเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองที่ท่านเทศที่ฟังๆจากนั้นแต่ท่านก็ออกไปอบรมภายนอกนะแต่เนีจากนั้นก็เป็นปี3940เศเข้าไปนั่นก็เป็นโครงการช่วยชาติ แ, แต่เนี ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากับเป็นธรรมะ ท, ทั่วๆไปก็ไม่หนักหนาธรรมะ ท, ทั่วๆไปเขาออกมาเปิดตอนกลางวัน เ, เปิดลงตาเป็นหลักแต่เปิดตอนกลางวันอันั้นที่ก็มีหลวงปู่ต่างๆธรรมเทศนาตอนกลางวันแล้วก็บางทีก็อ่านประวัติบ้างอ่านชาดกบ้าง อ่านธรรมประทัตกถ า, าบ้างมีหลายอย่างที่ให้คนเข้าใจแต่บางคนก็ชอบอันหนึ่งบางคนก็ชอบอันหนึ่งสรุปแล้วก็คือรางเนื้อชอบลางปลาเพรา ะ, ะนั้นธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์องค์หนึ่งคนหนึ่งก็ชอบธรรมเทศนาของอย่างองค์หลวงตาชอบมากแต่บางองค์ก็ไปชอบหลวงปู่ล่าอย่างนี้พอมี บางองค์ก็ชอบหลงปู่ชาหลงปู่จิงทองก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน 84% ดหมพันพระธรรมขันใครจะนําสิ่งไหนมาประพฤติธปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือแนวทางคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธจเทำำทธจา้าจึงมีหลากหลายให้พวกเราได้เลือกใครเข้ากับจริตอันไหนจริตของเรา เข้าธรรมเทศนาอันไหนที่ฟังได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สําหรับตนนะแต่บางคนฟังเข้าไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไม่ถึงใจแต่องค์นี้สินีแต่อยากจะให้ทุกคนอย่างนี้สิเหมือนกับเราก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใครจะฟังอันไหนจะให้เกิดประโยชน์เข้าใจได้ แล้วก็ถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนเองเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติได้ผลนั่นละทำคำสั่งสอนคำนั่นละ่ะครูบาอาจารย์ท่านนั่นละ่ะที่พวกเราฟังแล้วเข้าใจเกิดประโยชน์สำหรับเราผู้ได้ยินได้ฟังที่ได้ศึกษานั้นเนี่นนะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนไฝ่ในการศึกษา เพราะาการศึกษาการอาศัยได้การได้ยินได้ฟังมันจะกว้างขวางถ้าว่าตัวเองอยู่ไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลย เ, เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับเป็นผู้ใหญ่แบบมันยิ่งไม่ได้ขี้เกียจแต่เป็นน้อยเป็นหนุ่มแล้วใหญ่ขึ้นมาหัวสมองมันก็ถือเทนีสมองมันก็ถือความจำมันก็ถือความคิดความอ่านมันก็ถือซื่อบื้อไปด้วยกันทั้งหมด และจะทำยังไงเพราะนั้นที่เราจะเรียนรู้ได้ก็ตรงสมัยเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มอย่างนี้แหละได้รับการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นผมเองมีแต่แนะแนวทา น, นเองที่ผมพูดให้ฟังทั้งหมดนี่คือการแนะแนวของผมนะผมไม่ใช่ว่าให้ฟังของผมอย่างเดียวให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาวิธีการฟังผมก็บอก ให้ทราบในวิธีการฟังทำยังไงถ้าพวกท่านทั้งหลายฟังอย่างที่ผมบอกผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกท่านจะมีธรรมะหรือว่ามีแนวความคิดในจิตในใจของพวกท่านพวกท่านทั้งหลายจะซึ้งในธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เทศได้อบรมเพราะนั้นผมเองผมจึงกล่าวได้ว่า ผมไม่ด้อยผมไม่ได้หย่อนในการอบรมในการแนะนำสั่งสอนหมู่คณะที่มาอยู่ด้วยกับผมถ้าพวกท่านทางลายอยากจะฟัง MP3 สของผมก็พร้อมจ ะ, จะทำฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จะเป็นฟังเป็น MP3 สเปิดฟังเองในวัดของเราก็พร้อมอยากจะคน้นคว้าตำรั บ, ตำ ร, บตำราตู้ก็ทำ ในวัดของของเราก็พร้อมสถาในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนออกเป็นเสียงที่เปิดฟังทั่วไปก็พร้อมมันพร้อมเลยหลายอย่างถ้าว่าพวกเราแต่ทีนี้เมื่อพร้อมเหล่านั้นแล้วให้ถามตัวของเราเองวะ่ะเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนเราพร้อมอะไรอย่างเฮเราพร้อมไหมที่จะปฏิบัติเอาจริงจังเราเชื่อไหมนี่แหละทนนี้แหละมาถามหาตัวเองลท บางทีตัวเองก็เอเชื่อบางไม่เชื่อบังเลาะเลาะแหละแหละทำไปทำสิ่งอื่นเพื่อแก้ลคาคาญไปก็มีฮแต่ทําตามหน้าที่ก็มีเธอทําทตามหน้าที่อันนั้นดีเพราะว่าเมื่อทําเสร็จแล้วก็อือจบถ้ามไม่ทําก็ไม่รู้ใครจะทําเราต้องทําอันนั้นคือทําตามหน้าที่แต่ถ้าว่าทำเลาะเลาะและแะนั่นคือเมื่อจบหน้าที่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอทําท เกาหมัดเกาเมนเหมือนเมือกับมาขี่เลือ้อนอย่างนั้น เ, เราเละเละๆไปเป็นวันๆอันนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานะเสียสละเวลาเวลามาถึงขนาดนี้แล้วทานอาหารมื้อเดียวอยู่ในปา่ารงพงไพให้ยุงงห้ยลิ้นอะไรกัดเสี่ยงต่อการเป็นอยู่อย่างมากแล้วจะมาทำแบบเราเละเล่ๆอย่างนั้นมันเสียเวลาจริงๆเพราะนั้นอย่าอย่าทาให้ตัวเองเสียเวลา ให้ทัอกตั้งใจภาวนาให้มุ่งมั่นจริงๆถ้าว่าอันดับแรกแเราบังคับตัวเองก็ได้แต่ว่าการนั่งภาวนาบังคับใสานาฬิกาอันนี้ไม่ดีแต่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่มันอย่างเรามันละแหลก เ, เอาเถอะบังคับให้ใสานาฬิกาเลยวันละหนึ่งชั่วโมงครั้งละหนึ่งชั่วโมงบังคับใสานาฬิกาต่อไปก็สองชั่วโมงต่อไปก็สามชั่วโมง ต่อไปก็สี่ชั่วโมงทดลองเลสิเรานั่งอย่างนั้นเข้าไปเราเวทนามันเป็นยังไงที่มันเกิดในกายเราชนะมันได้ไหมเราเอาชนะมันได้ด้วยวิธีอย่างไรในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมานี่แหละมันก็เกิดในกายใจของเราแบบปั่นป่วนเมื่อใจปั่นป่วนเรารู้ใจของเราอีกว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมาใจของเราปั่นป่วนอย่างไงอันนี้เพียงแต่หลานเหลนเวทนาเท่านั้นนะหลวปู่ ย่าตาทวดของเวทนานยังอีก เ, อเมื่อใจจะขาดนั่นละ่ะปู่โทษเวทนานมันจะบีบคอเราจุดนั้นแหละยิ่งหนักหนาอันนี้พวกปวดแข้งปวดขาเนี่ยเขามาแย่เล่นเฉยเฉยนอะลูกหลานมันมามาแย่เล่นเฉยเฉยเรายังสู้กับมันไม่ได้ปู่ทวดเวทนานจะมาเหยียบคอเราเราจะเอาชนะได้ยังไงเราจะทําใจของเราได้ยังไงเราจะปล่อยวางได้ยังไงในจุดนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรา คิดไปในใจแล้วว่าต่อสู้ไปเรื่อยๆถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายต่อสู้ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้พูดได้แนะนําแล้วนั่นแหะพวกท่านพวกเราทั้งหลายจะแก่กล้าขึ้นไปเไง ม, มีความองอาจกล้าหาญในการเป็นอยู่ในการประพฤติธปฏธิบัติธรรมถ้าว่าจิตใจของเราอยู่ในธรรมลึกซึ้งในธรรมแล้วมันล่มเย็นเป็นฉุกจริงๆนะพวกเราทั้งหลายนะ ถ้าจิตใจส่งออกนอกเมื่อไหร่จิตใจร้อนนะเ อ, อ้มันร้อนนะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายยินดีในการฟัง ย, ยินดีในการปฏิบัติยินดีในการภาวนาใจของตัวเองอยู่ในสมาธิเอ่อือแลว้วกาอยู่ในการฟังแรืวอยู่ในการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นจิตใจมีอยู่ในธรรมมันเย็นนะเ อ, อ้มันเย็นลึกๆในจิตในใจถ้าจิตใจส่งออกนอก ร ง, รงไปที่นุ่นรงไปที่นี่คิดว่ามันจะมีความสุขนะทรงไปเที่ยวไปเตะกระโดดออกไปตามนะตามที่ตัวเองคิดนะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะมีแต่ความเดือดร้อนพุ่นไอวผลที่สุดก็นะกระสับกระสายไปเรื่อยหาความพร่มเย็นเป็นสุขในะจิตใจไม่ได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นให้พวกเรารู้แาอันนั้นคือกิเลสกิเลสความโลภความโกรธความหลง แต่ว่าความโลภเนี่ยโลภความอยากตนีบางทีอยากเป็นมักก็มีนะอยากเป็นตัวอวิชชาก็มีความอยากความไหททำไมจึงว่าอยากเป็นมักอยากนั่งภาวนาอยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากเดินจงกรมอยากจะทำจิตให้สงบอยากจะพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอันนี้มันเป็นมักความอยากตัวนี้ ถ้าคนไม่ใช่ว่าความอยากจะได้เป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่อยากอหนึ่งเป็นมักอยากหนึ่งเป็นสมุทัยถ้าอยากออกนนอกลูนอกทางไม่อยากเรียนโยมไม่อยากภาวนาไม่อยากศึกษาไม่อยากจะฟังไม่อยากจะประพฤติคุณงามความดีไม่อยากจะรักษาศีลไม่อยากจะถือธุปงคําว่าไม่อยากตัวนี้น่ะอันนี้มันเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ทุกเกิดแต่แต่ความอยากที่จะ รักษาทุกองอยากจะปฏิบัติอยากจะอดนอนพ อ, อนอาหารอยากจะภาวนาอันนี้เป็นมักมักคะปฏิปทามันอยู่ในใจน่หว่าความโลภตัวนี้ความอยากตัวนี้ความอยากตัวนี้มันมันมีนะเพราะนั้นพวกเราให้ดูให้ดีกิเลสสองหน้าตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นมักตัวหนึ่งเป็นกิเลสมันอยู่ในมันออกมาจากจุดเดียวกันกิเลสราคะคือความอยาก นี่คือความชอบกิเลสรักกิเลสโทสะกิเลสโทสนะนีนะ่มีแต่ความมีแต่ให้โทษเป็นส่วนมาก่ถ้าเราไม่รู้ต้นเงื่อนของมันแต่เรารู้ต้นเงื่อนของมันเราร่วงเงื่อนของมันแล้วนะเรานำมาใช้อาการของมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้ต้นเงื่อนของมันเสียหายเนี่ยาทมาต้นเงื่อนของมันคืออะไร คือการแนะนำสั่งสอนคู่คนระดับไหนก็ตามถ้าเราจะพูดแบบเพยพลอยเพย์พล อ, อยธรรมดาเนี่ยมันไม่ถึงใจเมื่อม่ถึงใจจะทำยังไงคนที่ฟังก็ถือว่าเป็นธรรมดาท่านพูดมาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละฮะผละนิสก็เลยไม่จริงจังการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเลยไม่มีความระวยงระวังแอมถ้าว่ารู้แล้วแก่ใจละเอออันนี้ไม่ได้นะ บทนี้มันต้องบทบทใช้บทบูนะเนี่ยนะเนี่ยก็ฟันเปรี้ยงออกไปเลยหยุดนะอย่าทำนะอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีต่อตนเองไม่เป็นตุกผลดีต่อวัดวาสาสนาไม่เป็นผลดีต่ อ, าาาต อ, อาการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะเสียหายนะหยุดนะอันนี้ก็คืออาการของความโกรธ แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเมื่อเราจะใช้ออกไปเราคิดก่อนเราจะต้องใช้บทนี้อันนี้มันก็เป็นประโยชน์ในการแนะนำสั่งสอนแต่ถ้าวันไหนอย่านะอย่าไปเฮ็ดจังชั่นนะอย่าไปทำอย่างนี้นะทำใจดีๆผลในที่สุดคนที่ฟังก็เล ย, พ ล, ยพลอยไปด้วยไม่จริงจังออก็เลยไม่ะ ด, ดุอันนี้คือว่าอาการของความโกรธ ถ้าเรารู้ว่าวิธีการที่จะใช้ความโกรธนั้นให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ได้ได้บ้างแต่มันเป็นสูนผลเสียมากกว่าถ้ามันงุนง่านงุดงิดขึ้นมาในใจลรพูดปูมปัางปูงปง บ, งปงบับออกมานะเลยเนี่ยมันเผาตัวเองซะก่อนอยก็ไปเผาคนอื่นที่หลังอันนั้นเสียหายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีการใช้มันนี่แหละอันนี้คือความอยากและก็ความโกรธ ชวนความหลงนั้นมันฝังลึกๆเป็นอนุสัยของจิตใจมันฝังลึกอยู่ในจิตใจตัวนั้นตัววิชาตัวนี้นะถ้าจะว่าไปแลวเหมือนกับไฟอยู่ในไฟอยู่ในหินลักษณะอย่ า, นางนั้นนะหินไม่กีดไฟไนงะพวกเราเห็นไหมมันเห็นไฟไหมอยู่ในหินไม่มีแต่เหล็กไปต่อยชัดออกมาเลยไฟมันจะแมบออกมาเลยน่แหละอันนี้เหมือนกันนะ ตัวอวิชชาเนี่ยอวิชชาปัจญาสร้างฆาฬเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเหมือนกับอยู่ในก้อนหินนะตัวอวิชชาตัวนี่ถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันก็ไม่ออกถ้าไปกระทบขึ้นมาแล้วนะก่อนที่มันจะรักที่มันจะโกรธที่มันจะเกลียดที่มันจะหลงมันออกมาจากเนี่ยมาออกมาจากตัวอวิชชาตัวนี้แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาเข้าไปมันไฟมันออกมาจากไหนไง ค้นคว้าไปค้นคว้ามาเลยดูดูก้อนหินเอาเหล็กไปกระทบดูแฉโดโอ้ไฟแมบออกมาเลยโอ้ไฟมันเกิดมาจากนี่ท่านยังว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกิเลสราคะโทสะเนี่ยมันออกจากตัวโมหะคือตัวไม่รู้ตัวหลงนั่นแหะมันออกจากนี้เป็นต้นต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ท่านจึงมาค้นมาศึกษาอาวิชชาปัจญาสร้างฆ่าราสร้างฆาราปั จ, จยาวิญญาณให้เขาเป็นปัจจัยต่อเนื่องไปจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทพนัสอุปายาต์นะมันเกี่ยวเนื่องไปจนถึ ง, งความเจ้าโศคร้องให้พี่ไรรำพันเสียใจเสียอกเสียใจดีอกตีใจมันมาจากไหนมันเป็นสายยาวเยือมาจากตัวอวิชชานะพราะนั้นท่านจึงให้ใช้ ปะทำคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องบงต้นนั้นเราจะพูดสัมมาทิฏฐิทีเดียวก็ไม่ได้มันต้องอาศัยมักมักแปดมันต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราจะอธิบายไปแล้วมันมันเป็นโยงใหญ่เหมือนนนะเฮ้มันเป็นโยงใหญ่เหมือนกับอสายแห่เนีเหมือนกระดางแหอย่างนั้นแหละที่มันจะจับปลาได้มันก็ต้องมีแหไม่ใช่โดแห ข้อเดียวแล้วจะไปจับปลาได้มันอยากเหมือนกันนะมันต้องมีแห่หลายตาเลยต้องแปดตาเลอมันคูณเข้าไปอีกมันหลายตามันจึงหุ้มตัวกิเลสได้สังหารกิเลสลงได้เพราะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่แห่ด่างเดียวจะลูกตาเดียวมันจะเก่งอย่างนั้นทุกหมดไม่ใช่ สมาสมาทิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสติมันล้วนแล้วจะจำเป็นสําคัญด้วยกันทั้งนั้นมักแปมันโยงใหญ่กันที่จะชําระกิเลสตปะธรรมคือมักมักคือเดินตาม8ดทางนี่แหละเข้าไปตะลุมเข้าไปถึงค้นหาตัวกิเลสตัวอวิชชา ที่พระพุทธเจ้าดึกค้นคว้าศึกษาแล้วท่านจึงนำทำคำสั่งสอนออกมาประกาศเผยแผร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะการภาวนาและการปฏิบัติเนี่ยสินก็จะให้ขาดตกบกพ้่องสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้ศึกษาสินห้าสินแปดสินสอง้อยี่ิบเจด ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นเรื่องของใจศีลนี่นเป็นเรื่องของกายคือการเป็นอยู่การเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยศีลเป็นผู้คุ้มครองการที่จะพูดอะไรทําให้แก่หมู่เพื่อนอกหนักอกหนักใจทําให้หมู่พวกเพื่อนไม่สบายใจมันมีอยู่ในศีลสองร้อยี่สบเจ็ดของพระให้พวกเราได้ฟังครับ ให้พวกเราได้ศึกษาจากนั้นกสิีลอภิสมาจารย์ทำยังไงที่ทําให้หมู่พวกเพื่อนหนักอกหนักใจศีลก็คือกฎระเบียบศีลก็คือวิัย์ในศีลนี่คือข้อห้ามศีลนี่ก็คือที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะไม่ให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นก็คือศีลคุ้มครองสรุปก็คือกฎหมายของพระสงฆ์คุ้มครองนี่แหละศีล ่สมาธิเนี่ยมาพูดถึงจิตใจได้ใจคิดยังไงต้องมีธรรมคือสมาธิคิดยังไงจริงจะถูกต้องคิดยังไงไม่ถูกต้องถึงมากันกรองอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีสมาธิใน จ, ใจิตใจเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าการคิดอย่างนี้เป็นการคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นการคิดอย่างนี้เป็นการเพื่อจะชะําระจิตใจให้เห็นตามความเป็นจริงคิดอย่างนี้ให้เห็นร่างกายสังขาร ทุ ก, ทกสัินงทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาดูแลไม่ใช่ตัวตนของเรานะอันนี้ใครเขาว่าทำใจนะสมาธินะเนี่ยพยายามจิตใจมันอยู่กับตัวเลยเป็นสมาธิจากนั้นก็ใช้ปัญญากรันกรองไตรตรองเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งสำทับเข้าไปอีกเนะี่ศีลและสมาธิปัญญามันเป็น เกี่ยวเนื่องอัญญมันยังอาศัยซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ตัวหนึ่งตัวใดนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนี้พวกเราสินพวกเราคนรักษาอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดสินอยู่แล้วสมาธิเท่านั้นนะบางที่บางท่านบางคนก็ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไม่ไปตามทําไม่ตามวินยัยจากนั้นก็นําสิ่งที่คิดเข้ามามาเผาตัวเองอีกแต่ไห ทำให้ใจเดือดร้อนใจเป็นทกอีกบางทีกับผิดคือออกไปก็ได้ยินคนนั้นพูดเ่สนธนาปาลกกับคนนั้นคนนี้เรื่องศีลแบบนั้นได้จากนั้นก็นเมื่อผิดทำไม่ดีแล้วกลับมามานั่งภาวนาสมาธิมาอยู่กับตัวอีกนะมันเกี่ยวเนื่องกันนะศีลกับสมาธิและปัญญานะมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูให้ดี มันออกไปจากใจทั้งหมดในะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแต่หาว่าเราดูที่ใจของเรากันกรองด้วยสมาธิด้วยปัญญาในใจของเราแล้วรู้จักมันออกไปจากไหนออกไปจากใจใจดวงเดียวนั่นนะเมื่อเราดูที่ใจดูต้นตอของมันมันยับไปตรงไหนเราก็รู้ทันนะมันโมโหเราก็รู้ทันเมื่อมันรัก มันไปทางการมังคับเกลีราคาโทสะเน่ยเรารู้ทันทั้งหมดแค่นะะถ้าสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจอยู่กับเนือ้ออยู่กับตัวเองแนละ้วจะเห็นได้อย่างนั้นจากนั้นการกรันกรองด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นดูสิพิจารณาดูสิร่างกายเป็นยังไงใจมันหลงอะไรทุกวนันพูดแล้วผูดอีอันดับแรกคือคือมันหลงกายหลงร่างกายของตนเอง คิดว่ามันจะอยู่โช่วฟ้าดินสลายไม่ใช่นะอใจนะทําใจใหม่นะเอเมดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่วันถึงวันไหนนะอบางทีเข้าไปในห้องน้ําหวัวนกพื้นตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะเส้นเลือดแตกในะสมองตายได้ง่ายๆนะเอมูจงอางฉกกัดเยตายได้ง่ายๆนะมันมีหลายตายเหลือเกินเหมือนกันแนตะ่เพราะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นของอเนจังเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นใจให้รู้ เท่ารู้ทันเอาไว้นะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะในเมื่อตายไปแล้วกันนะ่ะเอาไปเผาไฟทิ้งยังเหลือแต่กระดูกใจก็ออกจากร่างไปแล้ไปปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่นอีกถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ดุดพ้นไปแล้วกับไปเกิดเป็นอออกไปมิติหนึ่งอสําเร็จแล้วเออไม่มีอะไรที่จะมาข้องมาแวะอีกแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วทช่ ต่ำกว่านั้นลงมากไปเกิดเป็นพรมเสุทวา้าชั้นพรมล้วก็ยังไปไม่ได้ยังเลื่อนลอยอย่างมหาสมยาสูตรพรมมก็ยงมากราพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์เห็นหมดในจั ก, กรวาลจากนั้นก็เทวดาจากนั้นก็ภูมิลุขะเทวดาจากนั้นก็เป็นมนุษย์ ต่ำคนนั้นลงไปก็เป็นสัตว์ทีเลี้ยชานเป็นเปรตตกนรกตกนรกหลายหลุมเป็นสัตว์ทีเลี้ยชานก็หลายจําพวกอย่างพวกเราเห็นไม่รู้กี่ประเภทร้องกี๊ดจักจั๊กนะกี่ตัวละ่ะวิญญาณทั้งนั้น่ะที่ไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆพราะนั้นใจดวงนี้แหละจะไปออกจากร่างนี้แล้วมันจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องนำธรรมเข้ามา พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้าเมื่อเรารู้จิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วเราก็รู้ว่าจะไปที่ไหนบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเราไม่ได้ทํากรรมชั่วเสียหายนี่แหละอันนี้แปลว่าเป็นผู้มีสติในการเป็นอยู่จะตายก็มีสติจะเกิดที่ไหนก็เป็นผู้มีสติเกิดเพื่ออะไรจะเกิดตรงนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะ จะได้พบพระพุทธเจ้าหดืพบพระอรหันต์สาวกหลังจากนั้นมาเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีความหมายทั้งหมดที่ทจะไปไหนเหมือนกับเราจะไปที่ไหนก็เหมือนกันเราต้องได้คิดว่าก่อนไปนั้นเพื่อได้เป็นประโยชน์อะไรไปยันเสียประโยชน์อะไรถ้าเราไปแล้วเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราไปทําไมอไปไปแล้วก็ขาดทุนผล ป, นปีเพื่อเพอยังเอายังจะเอาชีวิตไม่รอดอีกต่างหากอย่างเนี้ย เราไปเพื่ออะไรแต่เราไปแล้วเออเมื่อเราไปแล้วเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ได้ได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ได้ศึกษาได้ฟังธรรมะเป็นประโยชน์่ยอันนี้เราก็ไปไปจุดนั้นนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันที่เราจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆพวกเราก็ได้ถ้ามีสติมีบุญแล้วเราไปเลือกที่ไหนก็ได้ที่มีประโยชน์ ในการเกิดในการค้นคว้าศึกษาในการที่จะหาสอบแสวงหาทางพ้นทุกข์หาความสุขเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนะี่ยถ้าว่ากรรมพาไปเกิดแล้วความชั่วพาไปเกิดแล้วไปไม่คิดไม่อ่านเขนู่นล่ะอไปเกิดที่กันดงกันดานเผยเผยก่อนนั่นแหะเกิดขึ้นมาแล้วก่อนทะเลถลายตกผมตกทุกข์ได้ยากอีกในการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นตแปลว่าการไป เกิดไปด้วยบาปอกุศลภาไปเกิดไปโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไปเกิดถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญอยู่ในจิตในใจแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ชั้นดุสิตลงไปเกิดนี่จะไปที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนแห่พระพุทธองค์มุลู้หมดละอันนี้อันนี้คือชาติพระองค์ชาติสุดท้าย จากนั้นก็หลบมาเกิดตามที่ท่านได้มองเห็นแล้วว่าการเกิดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเกิดแล้วจะได้เป็นยังไงจะได้ตัดรู้อะไรนี่แหละอันนี้พระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็คงอย่างนั้นเหมือนกันท่านไม่ได้บรรยายเอาไว้ก่อนก่อนท่านบำเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วจากนั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมพอพระพุทธเจ้าลงมาอุบัติมาเกิดในโลกเท่านั้นนะ เทวดาอินพรหมที่ได้สั่งสมบารมีอย่างเต็มเปี่ยมมาแล้วลงมาเกิดพร้อมกันเลยพรอบเลยเหมือนกับดวงดาวมาดาวมาล้อมเดือนอย่างนั้นเนี่ยจากนั้นพอพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระพุทธองค์แสดงธรรมเท่าทนั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานโชคโสนอย่างั้นแหะและท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะนั้นในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกยุคครั้งแรกน หลวงพ่อยว่าเป็นยุคเกรดเอนะเป็นยุคเกรดเอคือผู้มีบุญทั้งนั้นมาเกิดในยุคสมัยนั้นนะแต่ผู้มีบาปก็แทรกอีกเหมือนกันนั่นแหละคูอริคู่จองเวนก็มีเหมือนกันอย่างเทวทักกกาาต ก, ก็มาเกิดในยุคนั้นอีกเหมือนกันอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างนี้ก็มาเกิดในยุคนั้นอีกเหมือนกันคนบาปคนบุญมันมาเกิดทุกทุกยุค ท, ทุกสมัยนะเหมือนกับพวกเราในร่างกายของเราเนี่ยพวกเราที่จะบำเพ็ญขนาดไหนก็เถอะนี พยาธิโลคามันก็มาเกิดอยู่ในกายของเราก็มีังเยอะแยะอยู่เดียวนี่เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่อยู่เอยพอใดเพะพะยาธิโลคาอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนความดีความชั่วมันมีได้ทั้งนั้นแหละแต่ถึงยังไงเท่านั้นหละให้ดูตัวของพวกเราเองจะทำยังไงจึงจะถอดถอนกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ท่นโบกรามาเวียนว่า้ตายเกิดอีกอย่างเนี้ยให้พวกเราศึกษาประวัติศาสตร์ดูสิเ อ, อมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆมายุคนี้สมัยนี้ก็ค่อยยังชัว่ว อ, อ่ก็เห็นเห็นกันอยู่ก็เป็นบางครั้งแต่เขไม่มากมายหนักหนาแต่บางยุคบางสมัยข่ากันโอ้จะทํำยังไงเรามาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ทําก็เขาก็ไม่ได้เลยเออมันเกณฑ์กันเข้าไปสู้กันเกิดมา ใช้บาปใช้กรรมจริงๆนะ่ะเพราะนั้นยุคนี้สมัยนี้เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองกู อ, อยู่ในความสงบขอให้พวกเราตัอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานี่แหละนะัว่าพวกเราเกิดมาโชคดีนะโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ผมได้กล่าว ให้พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษานะ่ะเพราะนั้นผมถือว่าผมไม่ด้อยผมไม่ต่ําำผมไม่ได้ขาดตัวปกพ้องในการแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนทุกองต้องบอกพวกหมู่พวกเพื่อนยินดีในการศึกษาได้ยินยินดีในการได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่างที่ผมว่านะเออถ้าพวกท่านทั้งหลายทําอย่างที่ผมว่านะอาฟังเท่ก็ให้ฟังเป็นจิตจะลักษณะถ้า อ, อกตั้งใจฟัง น, ะนั่นแหละ พวกท่านทั้งหลายจะประสบความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจการพูดการนะแนวทางวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติในการพูดเพียงเท่านี้